ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวนยะสังคหอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการัจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่ิปักพัชาวินิชยากถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการบวช ก็ในคําว่าการบวชนี้มีเนื้อความดังต่อบไปนี้ทิกสุผู้จะให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาบวชเว้นบุคคลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไว้ในพระบาลีโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พึงบวชบุคคลผู้ถูกอาพาธห้าอย่างถูกต้องแล้วดังนี้พึงให้บุคคลผู้เว้นจากบรรพชาโทษบวชได้ในเรื่องนี้มีวิธิชัยดังต่อไปนี้ ที่สูดไม่พึงบวชผู้ถูกโรคห้าชนิดเหล่านี้คือโรคเรื้อนหนึ่งโรคฝีหนึ่งโรคปลาหนึ่งโรคม่องคลอดหนึ่งโรคลมบ้าหมูหนึ่งกระทบเข้าแล้วที่สุดรูปใดให้บวชต้องอบัตทุกกฎเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าที่สุดรูปใดให้บวชที่สุดรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎ ด, ดังนี้บรรณอาพาห้าชนิดนั้น จะเป็นโรคเรือนแดงหรือโรคเรือนดำก็ตามชื่อว่าโรคเรือนโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแม้มีประเภทเป็นต้นว่าเรือนผงหิดเปื่อยหิดด้านคุทาราทุกอย่างท่านเรียกว่าโรคเรื้อนเหมือนกันหากว่าโรคเรือนนั้นแม้มีขนาดเท่าหลังเล็บแต่ตั้งอยู่ฝ่ายที่ลามไปได้คนละบุตรนั้นไม่ควรให้บวช แต่ถ้าในที่ซึ่งผ้านุ่งผ้าห่มปิดไว้โดยปกติเป็นของมีขนาดเท่าหลังเล็บคองอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้จะให้บวชก็ควรในอตาตกถากกรุนทีแก้ว่าส่วนที่หน้าหรือที่หลังมือหลังเท้าถ้าแม้คองอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้แม้ย่อมกว่าหลังเล็บก็คือเล็กกว่าหลังเล็บไม่ควรจะให้บวชเหมือนกันถึงแม้ว่า จะไม่ลามไปนะแต่ว่ามันอยู่ที่หน้าหรือว่าที่หลังมือคนอื่นเขาเห็นนี่ก็ไม่ควรจะให้บวชคนเป็นโรคเรื้อนนั้นแม้เมื่อให้เยียวยาแล้วจะให้บวชต่อเมื่อแผลหายสนิดแล้วนั่นแหลจึงควรให้บวชแม้สรีระที่ด่างไปด้วยจุรนเช่นกับหลังเฮียจะให้บุคคลมีสรีระเช่นนี้บวชก็ไม่ควรตัวลายพ้อย คนนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิทุร้ายบริษัทเป็นผู้ปฏิทุร้ายบริษัทก็คือทําให้บริษัทได้อายแต่ว่าถ้าเกิดจับพัดจับผูเข้าไปบวชแล้วเป็นพระภิกษุแต่ว่าคนให้บวชจะต้องอําบัตอุปชาต้องบัตทุกอดถ้ารู้อยู่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผระพูดที่บวชแล้วก็เป็นพระภิกษุโรคฝีมีฝีมันข้นเป็นต้นชื่อว่าฝี ฝีมันข้นหรือฝีอื่นเชนิดหนึ่งก็ตามจงยกไว้ถ้าฝีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้มีขนาดเท่ า, มาเมล็ดพุทราตั้งอยู่ในฝ่ายที่จะลามไปได้ควรบุตรนั้นไม่ควรให้บวชแต่ในที่ปกปิดมีขนาดเท่ า, มาเมล็ดพุทราคงอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้จะให้บวชก็ควรในที่ซึ่งไม่ได้ปกปิดมีหน้าเป็นต้นแม้ตั้งอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลุกลามไปได้ก็ไม่ควรให้บวช ควรบวชผู้เป็นโรคฝีนั้นแม้เมื่อให้เยียวยาแล้วจะให้บวชต่อเมื่อทำร่างกาให้มีผิวเรียบแล้วจึงควรให้บวชที่มีชื่อว่าติ่งคล้ายนมโคหรือคล้ายนิ้วมือค้อยอยู่ในที่นั้นๆก็มีแม้ติ่งเหล่านั้นก็จัดเป็นฝีเหมือนกันแม้เมื่อติ่งเหล่านั้นถ้ามีอยู่ก็ไม่ควรจะให้บวชหัวหูดมีในเวลาเป็นเด็กและมีหัวสิว มีที่หน้าในเวลาเป็นหนุ่มในเวลาแก่หายหมดไปหัวหูดและหัวสี้ยวเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นฝีเมื่อมีหัวหูดเป็นต้นเหล่านั้นจะให้บวชก็ควรส่วนเม็ดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเม็ดพดมีตามตัวชนิดอื่นอีกที่ชื่อว่าเกสรบัวก็มีชนิดอื่นที่ชื่อว่าเม็ดพันประกาศมีขนาดเท่าเม็ดพันประกาศเป็นผืนไปทั่วตัวเม็ดเหล่านั้นทั้งหมด เป็นชาติโรคเรื้อนเหมือนกันเมื่อมีเม็ดเหล่านั้นไม่ควรให้บวชจะเกิดเป็นผลเต็มตัวหมดเลยแล้วก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่ควรให้บวชโรคเรื้อนมีสีคล้ายใบบัวแดงและบัวขาวไม่แตกไม่เยิมชื่อว่าโรคกลากร่างกายเป็นอวัยวะลายพร้อยเหมือนกละกแฮนโคด้โรคเรือนชนิดใดพึงทราบวินิจฉัย ใ, ในโรคกลากนั้น โดยในที่กล่าวและในโรคเรืน้นชนิดนั้นแหลอันนี้ก็เป็นคิ้กลาคิดกลานี่เรกจะคันมากเพราะฉะนั้นที่บวชมาเดี๋ยวก็มานั่งกลาวแล้วก็ติดต่อคนอื่นด้วยจึงไม่ควรให้บวชไข้ม่องคลอชื่อว่าโสโสหรือว่าโสสัตเมื่อมีไข้ม่องคลอ น, นั้นก็ไม่ควรให้บวชโรคบ้าดีเดือดหรือโรคบ้าด้วยถูกยักษ์สิงชื่อว่าโรคลมบ้าหมู ในโรคลมบ้าหมูสองชนิดนั้นบุคคลผู้ถูกอาเมรุ์ซึ่งเคยเป็นคู่เวรกันสิงแล้วย่อมเป็นผู้ที่เดียวอย่างได้ยากและเมื่อมีโรคลมบ้าหมูนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรให้บวชเกสุก็ไม่ควรให้บ ว, ว, ร, บวราชพัชเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนเกสุทั้งหลายเกสุไม่พึงให้บวราชพัช ร, รูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอาบัตทุกกดราชพัชก็คือผู้ที่ พระราชาให้อาหารหรือให้ค่าอาหารเลี้ยงดยูก็คือพวกข้าราชการนั่นเองในเรื่องราชพัฒน์มีวิจัยดังต่อไปนี้จะเป็นอัมมาตมหาอัมมาศ์เวผู้ได้ฐานนดอนเล็กน้อยหรือผู้ไม่ได้ก็ตามทีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับเลี้ยงด้วยอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงของพระราชานับว่าเป็นราชพัฒน์ทั้งหมดราชพัฒน์นันที่ตูไม่ควรให้บวช ฝ่บุตรและหลานชายและพี่น้องชายเป็นต้นของราชพัฒนั้นไม่ได้รับอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงจากพระราชาจะให้ชนเหล่านั้นบวชควรอยู่ฝ่ายผู้ใดถวายโภคะประจำหรือเงินเดือนเบี้ยวัดรายเดือนรายปีซึ่งตนได้รับพระราชาทานคืนแด่พระราชาหรือให้บุตรและพี่น้องชายรับตําแหน่งนั้นแทนแล้วทูลลาพระราชาว่า ปัตนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ได้รับเลี้ยงของเทวะแล้วหรือว่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งผู้ใดได้รับพระเหตุแห่งราชการใดตนทําราชการนั้นเสร็จแล้วหรือผู้ใดเป็นผู้ได้รับบรมราชาอนุญาตว่าเจ้าจงบวชจะให้บุคคลแม้นั้นบวชก็ควรอยู่นัวราชการนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชาก่อนแม้โจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็ไม่ควรให้บวช เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเลยว่าดูก่อนทิกษุทั้งหลายโจรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทิกษุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎในโจรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้โจรชื่อว่าท่าช่พันทะพระอธิเคราะห์ว่าดุดผูกทงเที่ยวไปมีอธิบายว่าเป็นคนโด่งดังในโลกเหมือนมูละเทศเป็นต้น เพราะเหตุนั้นผู้ใดเที่ยวทำการฆ่าชาวบ้านก็ดีรบกวนคนเดินทางก็ดีทำกรรมมีตัดที่ต่อเป็นต้นในเมืองก็ดีอันหนึ่งผู้ใดอันชนทั้งหลายรู้จักกันมากมายว่าคนชื่อโน้นทำกรรมนี้คนชื่อโน้นทากรรมนี้ไม่ควรให้ผู้นั้นบวชส่วนผู้ใดเป็นราชบรุษัทการถนาจะเป็นพระราชากระทำกรรมมีการฆ่าชาวบ้านเป็นต้นควรให้ผู้นั้นบวชอันนี้จะ ตั้งตัวเป็นพระราชาควรให้บวชเพราะว่าเมื่อราชบุตรคนนั้นผนวดแล้วพระราชาทั้งหลายย่อมพอพระหฤทยัยก็คือเป็นศัตรูของพระราชาเพราะนั้นถ้าให้บวชพระราชาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่ทรงพอพระหฤทัยก็ไม่ควรให้บวชคุณท่ารู้ว่าการให้คนที่คิดจะแย่งตําแหน่งพระราชาบวชแล้วพระราชาที่ยังดํารงอยู่ไม่พอพระหฤทัยก็ไม่ควรให้บวชเหมือนกัน โจรซึ่งลือชื่อในมหาชนในการก่อนภายหลังละโจรกรรมเสียสมาทาสินห้าหากชาวบ้านรู้จักเขาอย่างนั้นควรให้บวชฝ่ายชนเหล่าใดเป็นผู้ลักของเล็กน้อยมีมะม่วงและขนุนเป็นต้นหรือเป็นโจรผู้ตัดที่ต่อเป็นต้นทีเดียวแต่แอบแฝงทำการลักทั้งภายหลังก็ไม่ปรากฏว่ารมนี้อันชนชื่อนี้ทาจะให้ชนเหล่านั้นบวชก็ควร ถ้าเป็นโจรที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงอะไรก็บวชได้ถ้าเขาเลิกทำโจรกรรมเหล่านั้นแล้วฝ่ายโจรผู้ทำลายเรือนจำหนีพิสูุไม่พึงให้บวชพระพระปาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายโจรผู้ทำลายเรือนจำหนีพิสูุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอาบัตทูกกฎในโจรผู้ทาลายเรือนจานั้นมีวิิีชัยดังต่อไป น, นี้ เรือนจำเรียกว่าการะแต่ในอธิการนี้เครื่องจองจําคือคือก็ดีเครื่องจําก็คือตรวนก็ดีเครื่องจําคือเชือกกดีที่จําคือบ้านก็ดีที่จําคือนิคมก็ดีที่จําคือเมืองก็ดีการควบคุมด้วยบุรุษก็ดีที่จําคือชนบทก็ดีที่จําคือเกาะกดีจงยกไว้ผู้ใดทําลายตัดแก้หรือว่าเปิดเครื่องจําชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาเครื่องจำที่จำเหล่านี้หนีไปตึ้งหน้าหรือไม่มีคนเห็นผู้นั้นถึงความนับว่าการะเพธกัคือผู้แหกเรือนจำแหกคุกเพราะเหตุนั้นการะเพทกะโจรเช่นนี้ทำลายที่จำคือเกาะไปยังเกาะอื่นแล้วก็ดีไม่ควรให้บวชฝ่ายผู้ใดที่ไม่ใช่โจรแต่ไม่ยอมทำหัตถกรรมอย่างเดียวถูกอิตรชนทั้งหลาย มีขุนสวยของพระราชาเป็นต้นจองจำเอาไว้ด้วยหมายใจว่าเมื่อมีการจองจำไว้อย่างนี้ผู้นี้จะหนีไปไม่ได้จะทำการงานของเราดังนี้ผู้นั้นแม้ทำลายเครื่องจำหนีไปก็ควรให้บวชเพราะว่าไม่ใช่เป็นโจลจริงๆแต่ว่าเขาควบคุมเอาไว้เพราะว่าทางานให้เขาไม่ครบให้ไม่ได้เท่านั้นฝ่ายผู้ใดรับผูกขาดบ้านนิคม และถ้าเป็นต้นด้วยตวยัวไม่ตรงตรวยนั้นให้ครบถูกส่งไปยังเรือนจําผู้นั้นหนีมาแล้วไม่ควรให้บวชแม้ผู้ใดรวมเก็บทรัพย์ไว้เลี้ยงชีวิตด้วยกติกรรมเป็นต้นถูกใครๆส่อเสียดใส่โทษเอาว่าผู้นี้ได้กลุ่มทรัพย์แล้วถูกจองจําจะให้บวชผู้นั้นในถิ่นนั้นเองก็ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ามาเรื่องเราวอีก แต่้ะให้เขาซึ่งหนีไปแล้วบวชในที่ซึ่งไปแล้วควรอยู่ถ้าอยู่ในถินเดิมไม่ควรให้บวชถ้าหนีไปที่อื่นก็บวชได้อันหนึ่งโจรผู้ถูกเขียนไว้ที่สูตไม่ทุนให้บวชก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูตรั้งหลายโจรผู้ถูกเขียนไว้ที่สูตไม่ทุนให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอบัับทุกกฎในโจรผู้ถูกเขียนไว้นั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ชื่อว่าโจรที่ถูกเขียนไว้คือบุคคลในบุคคลหนึ่งทำจรกรรมหรือกระทํากรรมอื่นซึ่งเป็นความผิดต่อพระราชาอย่างหนักแล้วหนีไปและพระราชาเขียนไว้ในหนังสือหรือว่าใบลานว่าผู้มีชื่อนี้ใครพบเข้าในที่ใดพึงจับฆ่าสในที่นั้นหรือว่าพึงตัดอัยุวะมีมือและท้าเป็นต้นของมรสะหรือว่า ซึ่งให้นํามาซึ่งสินใหม่มีประมาณเท่านี้ผู้นี้ชื่อว่าผู้ร้ายซึ่งถูกเขียนไว้ผู้นั้นไม่ควรให้บวชก็คือถูกจะกาศจับนั่นเองโจนผู้ถูกลงอาทยาเขียนได้ไหวทิคตุไม่พึงให้บวชพระมีพระบาลีว่าดูก่อนทิคตุทั้งหลายโจนผู้ถูกลงอาทยาเขียนได้ไหวทิคตุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอบัตทุกฏ ก็ในเรื่องนี้มีวิธีฉายทางต่อไปนี้ผู้ใดไม่ยอมทำการงานมีการส่งข่าวสารเป็นต้นจึงถูกลงอาทยาผู้นั้นไม่นับว่าผู้ถูกลงอาทยาฝ่ายผู้ใดรับเก็บทรัพย์บางอย่างโดยเป็นสวยหรือโดยประการอื่นแล้วกินเสียเมื่อไม่สามารถจะใช้คืนให้จึงถูกเครียดได้หวว่านี้แหละจงเป็นสินใหม่ของเจ้าผู้นี้นั่นแหลชื่อว่าผู้ถูกลงอาทาเครียดได้หว ก็แลเขาจะถูกเขียนด้วยหวายหรือว่าถูกเขี่ยนด้วยไม้คอนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตามจงยกไว้แผลยังสดอยู่เพียงใดไม่ควรให้บวชเทงนั้นต่อกระทําแผลทั้งหลายให้กลับเป็นปกติแล้วจึงควรให้บวชอันหนึ่งถ้าผู้ใดถูกเขาทําร้ายด้วยขา่าวด้วยศอกหรือด้วยผลเมือพร้าและก้อนหินเป็นต้นแล้วปล่อยไปและบวมโนในร่างกายของผู้นั้นยังปรากฏอยู่ก็ไม่ควรให้บวช ผูนั้นกระทำให้หายแล้วเท่านั้นเมื่อความบวมโนอย่างนั้นยุบราบไปแล้วจึงควรให้บวชโจรผู้ถูกลงอาทยาสักหมายโทษที่ยกสุไม่ปึงให้บวชเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายโจรผู้ถูกลงอาทยาสักหมายโทษเพี้ยกสุไม่พรุงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องทุกข์กอแม้ในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ข้อที่เป็นผู้ถูกลงันกรรมพึงทราบโดยในก่อนนั่นแหลก็รอยแผลเป็นที่ถูกนาได้วยเหล็กแดงมีที่น่าผากหรือว่าอาวิวะทั้งหลายมีอกเป็นต้นของุรุษใดถ้าุรุษนั้นเป็นไทยแผลยังสดอยู่เพียงใดไม่ควรให้บวชเพียงนั้นถ้าแม้แผลของเขางอกขึ้นเรียบเสมอกับผิวหนังแล้วแต่รอยแผลเป็นยังปรากฏอยู่ถ้าเมื่อเขานุ่งแล้วห่มผ้าเฉียงบ่า ปกปิดเรียบร้อยเป็นปริมวลทนสามสมควรให้บวชถ้ารอยแผลเป็นนั้นปกปิดไม่ได้ไม่สมควรจะให้บวชเพราะว่าเป็นรอยารตากฎก็เป็นการประจานตนเองแม้คนมีหนี้พิษุก็ไม่ควรให้บวชก็มีพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายคนมีหนี้พิกษุไม่ควรให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้ ในเรื่องนี้มีวิธิใชยดังต่อไป น, นี้หนี้ที่บิดาและปู่ของบุรุษใดกู้เอาไปก็ดีหนี้ที่บุรุษใดกู้เองก็ดีรับบางอย่างที่มารดาบิดามอบบุตรใดเป็นประกันแล้วยืมเอาไปก็ดีบุรุษนั้นชื่อว่าคนมีหนี้ผู้ใดต้องรับหนี้นั้นของชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าคนมีหนี้ แต่ญาติอื่นๆมอบบุตรใดไว้เป็นประกันแล้วยืมทรัพย์บางอย่างไปบุรุษนั้นไม่จัดว่าเป็นรูปนี้เพราะว่าญาติอื่นๆนั้นไม่เป็นใหญ่ที่จะมอบบุตรนั้นไว้เป็นประกันได้ต้องเป็นพ่อแม่พ่อแม่ถึงจะมอบบุตรไปให้เป็นประกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาใช้คืนบุตรคนนั้นก็เป็นหนี้แต่ถ้าเป็นญาตินี้ไม่ได้เพราะเหตุนั้นจะให้บุรุษนั้นบวชสมควรอยู่จะให้บุรุษนอกจากนี้บวชไม่ควร แต่ถ้าญาติสาโดหิตตั้งหลายของเขารับใช้หนี้แทนว่าพวกข้าพเจ้าจะรับใช้ขอท่านโปรดให้บวชเถิดหรือว่าชนอื่นบางคนเห็นอาจาระสมบัติก็คือมรารยาทที่ดีงามของเขาแล้วกล่าวว่าขอท่านจงให้ขววเขาบวชเถิดข้าพเจ้าจะใช้หนี้แทนดังนี้สมควรให้บวชได้เมื่อญาติสาโหิตเหล่านั้นไม่มี ภิกษุพึงบอกแม้แก่อุปถาเห็นปานนั้นก็ได้ว่าผู้นี้เป็นบุคคลมีกศุศลกรรมเป็นเหตุแต่บวชไม่ได้เพราะว่ากังวลด้วยนี่ถ้าเขารับจัดการพึงบวชให้คือไปบอกอุปถาของพระภิกษุเองก็ได้ถ้าเห็นว่าหน้าหรือว่าผู้ที่จะมาบวชนะ้น้ะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีแต่เป็นนี่อยู่ก็ให้บอกกับอุปถาถ้าอุปถารับจัดการให้ว่าบวชให้ได้ ถ้าแม้กัปปิยะพันฑ์ของตนมีพึงตั้งใจว่าเราจะเอากัปปิยะพันธ์นั้นใช้ให้แล้วให้บวชแต่ถ้าชนทั้งหลายมีญาติเป็นต้นไม่รับจัด ก, การทรัพย์ของตนก็ไม่มีไม่สมควรให้บวชด้ทําในใจว่าเราจะให้บวชแล้วจับเที่ยวพิษาเปลื่องนี้ให้ถ้าให้บวชต้องถูกกฎแตบอกว่าไปบินระบาไปใช้ก็ไม่ได้ แม้บุรุษนั้นหนีไปพิสุนั้นก็ต้องนํามาคืนให้ถ้าไม่คืนให้นี่ทั้งหมดย่อมเป็นสินใช้ถ้าเกิดไปบวชให้ในบุรุษคนนั้นแล้วก็หนีไปยังเป็นหนี้อยู่พระพิสุต้องไปเรียกไปเอาตัวมาคืนไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้นี่แทนเขาเมื่อพิกษุไม่ทราบให้บวชไม่เป็นอบัตแต่เมื่อพบปักเข้าต้องนํามาคืนให้แก่พวกเจ้าหนี้ ไม่เป็นสินใช้แต่พิสูตผู้ไม่พบปะถ้าไม่รู้ถ้ารู้ก็เป็นสินใช้หากบุรุษผู้เป็นลูกหนี้ไปประเทศอื่นแล้วแม้เมื่อพิสูุไต่าถามก็ตอบว่าผมไม่ต้องรับหนี้ใดๆของใครๆแล้วบวชฝ่ายเจ้าหนี้เมื่อสืบเสาะหาตัวเขาจึงไปในประเทศนั้นพิกสูนุ่มเห็นเจ้าหนี้นั้นเข้าจึงหนีไปเซียเขาเข้าไปหาพระเถระร้องเรียนว่า ท่านขอรับที่สูตรูปนี้ใครให้บวชเธอยืมทรัพย์มีประมาณเท่านี้ของผมไปหนีไปแล้วดังนี้พระเถรนาคถึงตอบว่าอุบาตกเธอบอกว่าผมไม่มีหนี้สินฉันจึงให้บวชป่านี้ฉันจะทําอย่างไรเล่าเขาบอกว่าเขาไม่มีหนี้สินอาตมาก็ได้ให้เขาบวชจะให้อาตมาทํำยังไงท่านจงเห็นสิ่งของมาดว่าบาจีวรของฉันเถรนี้เป็นสามีจิกรรมในข้อนั้นก็คือ จะเอาบาตรอจิวรนนี้ไปเป็นของใช้คืนทรับสินเหล่านั้นเอาไหมและเมื่อพิจุนั้นหนีไปสินใช้ย่อมไม่มีเพระว่าไม่รู้ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเจ้านี้พบพิจุนั้นต่อหน้าพระเถระเทียวแล้วกล่าวว่าพิจุนี้เป็นลูกหนี้ของผมพระเถระพึงตอบว่าท่านจงรู้ลูกหนี้ของท่านเอาเองเธิดแม้อย่างนี้ย่อมไม่เป็นสินใช้ ถ้าแม้เขากล่าวว่าบัดนี้พิสุจนนี้บวชแล้วจักไปไหนเสียพระเทระ จ, จึงตอบว่าท่านจะรู้เอาเองเธิดแม้อย่างนี้เมื่อพิสูจ น, นนั้นหนีไปย่อมไม่เป็นสิ่นใช้แก่พระเทระนั้นแต่ถ้าพระเทระกล่าวว่าบัดนี้พิสุนี้จักไปไหนเสียเธอจงอยู่ที่นี่แหละถ้าพิสูนุนนั้นหนีไปต้องเป็นสิ่นใช้ถ้าเกิดพระพิสูุ์ไปออกรับแทนบอกว่าเขาบวชแล้วก็อยู่นี่แหละก็ไม่ไปไหนหรอก แล้วก็หนีไปก็เป็นถึงใช้ถ้าเธอเป็นผู้มีกุศลกรรมเป็นเหตุถึงพร้อมได้วัดพระเถระพึงกล่าวว่าที่ส่วนี้เป็นเช่นนี้ถ้าเจ้าหนี่ยอมสละว่าดีละถ้าได้อย่างนั้นก็เป็นการดีก็ถ้าเขาตอบว่าขอท่านจงใช้ให้เล็กน้อยเถิดพระเถระพึงใช้ให้ตอนสมัยอื่นที่สุนนั้นเป็นผู้ยั่งพระเถระให้พอใจยิ่งขึ้นแม้เมื่อเจ้านี่เขอทวงว่าท่านจงใช้ให้หมด ถ้าเิียร์ัก็ควรใช้ให้แท้และถ้าเธอเป็นผู้ฉลาดในอุทเทศและในปริปุชามีอุปการะมากแก่ที่สุดทั้งหลายถ้าเิียรัจะพึงสแสวงหาด้วยพิขาจารวัดก็ได้ใช้นี่เสียเถิดฉนี้แรอุปชาอาจารย์ก็จะต้องดูแลสัตวิหาริกอันเทวสิกิเพราะฉะนั้นถ้าสัตวิหาริกอันเทวสิกยระพฤตชอบมีการศึกษา ม, มีการปฏิบัติวัฏฐาต่างๆอย่างดีก็ ควรแม้กระทั่งภิกษาจารวัตมาใช้นี่ให้แม้ธาตุที่สุก็ไม่ควรให้บวชาะมีพระบาลีว่าดูก่นที่สุทั้งหลาย้าตุที่สุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชรูปนั้นต้องอบัตทุ ก, กดดำนี้ในเรื่องนี้มีวินิฉัยดังต่อไปนี้ธาตุมีสี่จำพวกคือธาตุเกิดภายในหนึ่งธาตุที่ซื้อมาด้วยทัพหนึ่ง ท่าที่เขานำมาเป็นเฉลยหนึ่งก็นำมาจากที่เป็นเฉลยไปรบชนะกว่าต้อนมาแล้วก็เอามาเป็นทาาแล้วก็บุคคลที่ยอมเป็นทาสเองหนึ่งในท่าเศจษพวกนั้นลูกนางทาสีในเรือนเป็นทาสโดยกําเนิดชื่อว่าทาสเกิดภายในบุตรจากสํานักมารดาและบิดาก็ดีทาสจากสานักนายเงินก็ดี ที่เขาให้ทรัพย์แล้วยกขึ้นสู่จารีตแห่งธาคซื้อมาชื่อว่าธาตที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ธาตทั้งสองจะพวกนี้ไม่ควรให้บวชเมื่อจะให้บวชต้องทําให้เป็นผู้ที่ไม่ใช่ธาตุด้วยอนาจจารีตในชนบท น, นั้นแล้วจึงควรให้บวชทําให้ไม่เป็นธาตได้อย่างไรต้องทําอย่างนั้นถึงจะให้บวชได้ปัจจุบันนี้ก็บวชได้หมดนะเพราะว่า รัชาลที่ห้าทรงเลิกธาดหมดแล้วไม่มีธานแล้วในประเทศไทยในะที่อื่นๆก็คงจะไม่มีอนะทาตที่ชื่อว่าเขานํามาเป็นเฉลยคือพระราชาทั้งหลายทรงทําการรบนอกแวดแคลนหรือรับสั่งให้เกลี้ยกล่อมกวาดต้อนเอาทั้งหมู่มนุษย์ซึ่งเป็นไทยทั้งหลายมาจากภายนอกแว่นแคลนก็ดีพระราชารับสั่งให้ริ้บ้านบางกำบลซึ่งกระทําผิดภายในแว่นแคลนนั่นเอง ราชบดุลทั้งหลายกว่าต้อนทั้งหมู่มนุษย์ตาบล น, นั้นก็ดีในหมู่มนุษย์เหล่านั้นผู้ชายทั้งหมดเป็นธาตผู้หญิงทั้งหมดเป็นทาสีบุคคลเห็นปา น, นี้จักเป็นธาตซึ่งเขานามาเป็นเฉลยคือจากความเป็นเฉลยธาตนี้เมื่ออยู่ในสำนักชนทั้งหลายผู้นำตนมาถูกขังไว้ในเรือนจำหรืออันบรุษทั้งหลายควบคุมอยู่ไม่ควรให้บวช แต่เขาหนีไปแล้วคุณให้บวชในที่ซึ่งเขาไปได้ก็คือถ้าเขาหนีไปยังที่ไหนก็จะบวชในที่นั้นก็ได้ครั้นเมื่อพระราชาทรงคลอดพระหรือไทยทรงทําการปลดปล่อยโดยตรัสว่าจงปล่อยพวกท่าที่นํามาเปนเฉลยหรือโดยในเป็นสับพระสาธานพึงให้บวชเถิดก็คือปล่อยท่าให้หมดเลยเหมือนกับรชัชกาลที่ห้าที่ทรงทําการเลิกท่าจะให้บวชก็ได้ บุคคลที่ยอมตัวเป็นทาสเองทีเดียวว่าข้าพเจ้าเป็นท่านของท่านดังนี้เพระเหตุแห่งชีวิตก็ตามเพระเหตุแห่งความคุ้มครองก็ตามชื่อว่าผู้ยอมเป็นทาสเองเหมือนคนเลี้ยงช้างมา้าโคและกระบือเป็นต้นของพระราชาทั้งหลายทาเช่นนั้นไม่ควรให้บวชบุตรตั้งหลายของเหล่านางวันณาาสีของพระราชาเป็นเช่นดังบุตรอมาน ถ, ถึงบุตรเหล่านั้นก็ไม่ควรให้บวชเหมือนกัน เหล่าหญิงซึ่งเป็นไทยแต่ไม่มีใครคุ้มห้าจึงเที่ยวไปกับพวกนางวันนาทาสีจะให้บุตรทั้งหลายของหญิงเหล่านั้นบวชก็ควรหาพวกหญิงเหล่านั้นขึ้นทะเบียนเสียเองก็คือยอมไปเป็นทาสไม่สมควรให้บุตรทั้งหลายของหญิงเหล่านั้นบวชถึงพวกทาสของคณะทั้งหลายมีคณะกติปุตตกะเป็นต้นซึ่งคณะชนเหล่านั้นไม่ยอมให้ก็ไม่ควรให้บวช เพื่อนชอวะธาตสํ า, าสหรับอารามซึ่งพระราชาพระราชทานไว้ในวัดทั้งหลายบรรดามีจะให้ทาตแม้เหล่านั้นบวชย่อมไม่สมควรแต่ทําให้เป็นไทยแล้วให้บวชสมควรอยู่ในมหาปจจรีอัจจะปถาแก้ว่าชนทั้งหลายนําทาตเกิดภายในและธาตที่ถือมาได้ซักมาถวายแก่พิจุสง์ทาตเหล่านั้นย่อมเป็นเช่นกับธาตที่เขาราชเปลียนบนศีรษะนั่นแหละ จะให้บวชก็ควรวก็คือทำให้ไม่เป็นท่านแล้วก็ให้บวชได้ส่วนในอาตมาถากรุณทีแฝ่ว่าถ้าเขาถวายด้วยกัปปิยะอุหานว่า้าบจาทั้งหลายถวายอารามบิกะธานั้นอันเขาถวายแล้วด้วยอุหานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทีไม่ควรให้บวชแท้พวกคนเข็นใจคิดว่าจากอาศัยพระสงค์เลี้ยงชีพจึงเป็นกัปปิยะการกรกอยู่ในวัดที่อยู่ จะให้คนเข็นใจเหล่านั้นบวชควรอยู่บิดามารดาของบุตรใดเป็น่าหรือมารดาเท่านั้นเป็นธาสีบิดาไม่เป็น่าไม่ควรให้บุตรนั้นบวชแต่ผู้ใดมารดาไม่เป็นธาสีบิดาเป็น่าจะให้ผู้นั้นบวชก็ควรถือเอาตามแม่ถ้าแม่เป็นทาพ่อไม่เป็น่าจะให้บวชลูกของเขาไม่ควรแต่ถ้าแม่ไม่เป็นทาพ่อเป็นธาให้บวชลูกเขานั้นได้ ญาติหรืออุปทาของพิสุถวายทาวว่าขอท่านจงให้บุรุษนี้บวชเขาจักทาความขวนขวายแก่ท่านหรือว่าถ้าส่วนตัวของพิสุนั้นมีอยู่ท่านนั้นพิสุทําให้เป็นไทยเสียก่อนแล้วจึงควรให้บวชในอัตถกากุรันทีแก้ว่าพวกนายถวายทาวว่าขอท่านจงให้บุรุษนี้บวชถ้าเขาจักยินดียิ่งในศาสนาเขาจักไม่เป็นท่าถ้าเขาจากักศึก เขาจากคงเป็นทาตของพวกข้าพเจ้าอย่างนี้บุุษนี้ชื่อว่าทาตยืมไม่ควรให้เขาบวชบุุษใดเป็นทาตไม่มีนายบุุษแม้นั้นอนทิสุทำให้เป็นไทก่อนจึงควรให้บวชอธิสุไม่ทราบให้บรรพชาหรืออุปสมบทแล้วจึงทราบในภายหลังควรทำให้เป็นไทเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เป็นอบัตและเพื่อประกาศเนื้อความข้อนี้ พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าดังได้ยินว่านางกุลธาสีคนหนึ่งกับบุรุษคนหนึ่งหนีจากอนุราท่าบุรีไปอยู่ในโรหนชนบทนางกุลธาสีนี้ไปกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าเป็นทางสีอยู่ก็ได้มีบุตรคนหนึ่งบุตรนั้นในเวลาที่บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นพิกจุลชีมรังเกียร ศึกสามเพื่อทำไว้ในแล้วก็มีความละอายด้วยนะภายหลังวันหนึ่งเธอถามมันดาว่าอุบาสิกาพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงของท่านไม่มีหรอกหรือฉันจึงไม่เห็นญาติใดๆเลยมันดาตอบว่าพ่อคุณฉันเป็นกุลธาสีในอนุราทบุรีหนีมาอยู่ที่นี่กับบิดาของคุณพิสุผู้มีศีลได้ความสังเวชว่าได้ยินว่าบรรชาของเราไม่บริต ก็คือตอนเองเป็นทาสนั่นเองเพราะว่ามารดาเป็นทาสลูกก็เป็นทาสด้วยจึงถามมารดาถึงชื่อและโคดของสกุลนั้นแล้วมายังอนุราทบุรีและยืนที่ประตูรเรือนของสกุลนั้นถึงเขาบอกว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเจ้าข้าก็ยังไม่เลยไปพวกเขาจึงพากันมาถามว่ามีธุระอะไรขอรับเธอจึงถามว่านางพางสีชื่อนี้ของพวกท่านซึ่งหนีไปมีอยู่ไหม เขาก็ตอบว่ามีขอรับพันสุก็กล่าวว่าฉันเป็นบุตรของนางทาสีนั้นถ้าพวกท่านอนุญาตให้ฉันฉันจะบวชพวกท่านเป็นนายของฉันพวกเขาเป็นผู้รื่นเริงยินดียกเธอเป็นไทยว่าบรรประชาของท่านบริสุทธิ์ขอรับแล้วนิมนต์ให้อยู่ในมหาวิหารบำรุงด้วยปัจจัยตีพระเสระอาศัยสกุล น, นั้นอยู่เท่านั้นได้บรรลุพระอรหรันต์ ก็เป็นผู้ที่ซื่อตรงอย่างมากและกระทั่งบวชเป็นพรพสุขแล้วก็ไปอยู่ในที่อื่นหรือว่าตนเองนั้นเป็นลูกของนางทางสีความเป็นทาสก็ยังมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไปขออนุญาตจับเจ้านายของบานดาก็ไปบอกได้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของนางทางศีนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตต่อฉันก็จะบวชแต่ถ้าเกิดไม่อนุญาตท่านเป็นนายของฉันจะให้ฉันสึกก็ได้เขาก็เลยเริ่อมใส่มากบำบงด้วยปจัจจัยตีในที่สุดก็ได้เป็น พระอรหัน์เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายผู้ที่เป็นพระภิกษุเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงแล้วก็ศึกษาในไตรจิตาเพื่อที่จะเลิกธาตุในตัวเองเพราะว่าเราทั้งหลายก็เป็นธาตของกิเลสตัณหามามากนับชาติไมทถ่วนแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ตัดขาดความเป็นธาตของกิเลสทั้งหลายบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลพ้นจากทุกทั้งปวงโดยการไม่เลื่นชาดิเทินสาธุสาธุสาธุ